วันนี้เป็นวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2557เมื่อวันที่30 ม, มีนาคมปีที่แล้วเป็นวันแรกที่ได้มีการอัดเสียงใส่ลงไปในยูทู e ก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วเวลาก็ผ่านไปเวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับพวกเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ปรารถนาการเจริญในทางธรรมะ ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ยากต่อการที่จะหาได้คือเวลาที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และเวลาที่ ได้มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสน า, าก็จะไม่มีผู้นำทางให้เราได้ไปสื่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เราก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การที่เราได้มีสิ่งทั้งสองสิ่งนี้คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ยังเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากยากกว่าการถูกวัตตรี่รางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่เราจะได้รับจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็มีคุณค่ามากกว่าเงินรางวัลที่หนึ่งอีกหลายร้อยหลายล้านเท่าด้วยกัน เพราะรางวัลที่เราจะได้รับจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนานี้จะทำให้เราได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สัตว์โลกทั้งหลายในใตพภพจะสามารถรับได้นั่นก็คือมรรคผลนิพพาน คือมกซีผลซีนิพานหนึ่งตอนนี้มกซีผลซีนิพานหนึ่งนี้เป็นของเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะไปรับรางวัล น, นี้หรือไม่เหมือนกับเราได้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งแล้วอยู่ที่ว่าเราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่ถ้าเราไม่ไปขึ้นรางวัล รอตตอรี่ที่เราถือนี้ก็เป็นเพียงเศษกระดาษเป็นชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแต่ถ้าเราเดินทางไปขึ้นรางวัลเราก็จะได้รับรางวัลมีมูลค่าหลายล้านบาทด้วยกันฉันใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทางจิตวิญญาณทางจิตใจแล้วรางวัลที่เราจะได้รับก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งแต่เราต้องเดินทางไปรับรางวานนัลนี้การได้พบกับพระพุทธศาสนาน การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ยังไม่ได้รับรางวัลแต่เป็นการมีสิทธิ์ที่จะไปรับรางวัลได้ถ้าเราทำตามเงื่อนไขของการรับรางวัลเงื่อนไขของการรับรางวัลก็คือเราต้องเจริญมักคือทางที่จะพาให้เรา ไปสู่ผลคือมกักคสีผลสีนิพพานหนึ่งมากที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นเจริญกันให้มากๆก็คือทานศีลภาวนานี่เองถ้าเราได้เจริญทานศีลภาวนานแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับคือ มักสีผลสี่นิพานหนึ่งมักสี่นี้ก็มีโสดาปฏิมักสกิดาขามีมักาคามีมักอรหัตตมักผลก็คือโสดาปฏิผลสกิดาขามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลแล้วก็รางวัล ชิ้นสุดท้ายก็คือพระนิพพานรางวัลเหล่านี้อยู่ในเอื้อมมือเอื้อมมือของเราแล้วถ้าเราทำทานเรารักษาศีลเราภาวนาได้รางวัลเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ไปรับรางวัลนี้มาแล้วกันเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนคือเป็นเหมือนกับออกลอตเตอรี่บอกหมายเลขของรางวัลที่หนึ่งผู้ใดมีลอตเตอรี่หมายเลขนี้ก็มาขึ้นรางวัลได้เลยคือผู้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนามีศรัทธามีความเชื่อ ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถมารับนางวันนี้ได้เลยด้วยการมาทำทานด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาภาวนานี่ก็คือโอกาสอันเลิศอันประเสริฐที่มีวันที่จะหมดไป เหมือนกับรางวัลที่หนึ่งที่เขาก็มีกำหนดระยะเวลาให้ไปขึ้นรางวัลให้ไปขึ้นภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านั้นถ้าเวลาผ่านไปแล้วก็จะไม่สามารถไปขึ้นรางวัลได้อีกการขึ้นรางวัลของพวกเราการขึ้นรางวัลของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็มี เวลาเหมือนกันก็คือถ้าตาบใดเรายังมีชีวิตอยู่ดาบนั้นเราก็ยังสามารถที่จะไปขึ้นรางวัลได้แต่ถ้าเวลาใดที่เราสิ้นชีวิตไปแล้วตายไปแล้วเราก็จะหมดสิทธิ์ที่จะไปขึ้นรางวัลและวันเวลาของพวกเราก็จะ สั้นลงไปเรื่อยๆชีวิตของพวกเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบขวนขวายไม่รีบเร่งทำทานรักษาศีลภาวนาเดี๋ยวอาจจะหมดเวลาไปอย่างที่ไม่คาดฝันก็ได้เพราะชีวิตของเราแต่ละคนนี้ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าจะอยู่ ถึงอายุเท่าไหร่บางคน จ, จะอยู่ถึงร้อยปีบางคนก็เก้าสิปีบางคนก็แปดสิบปีบางคนก็เจ็ดสิบปีหกสิบปีห้าสิบปีสาสิบปีส0ยี่สิปีสิบปีหรือแม้แต่หนึ่งวันหรือหนึ่งชั่วโมงก็มีเพราะชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทจงรีบทากิจที่เพึงกระทาให้เสร็จรุ้งร่วงไปก็คือการไปขึ้นนองวันนี้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาการที่เราจะไม่ประมาณนี้ทำอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนุนว่าให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเราลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกได้เลยยิ่งดีเพราะถ้าเราได้ระลึกถึงความตายรู้ว่าเราจะต้องตายไปในเวลาใดเวลาหนึ่งเราจะได้ไม่ประมาทนอนใจนั่นเองเราจะได้รีบ ขวนขวายไปขึ้นรางวัลไปขึ้นมรซีผลซีนิพานหนึ่งกันไม่มัวหลง อ, อยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นคุณเป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหาคือตอบสนองความอยากความต้องการต่างๆของกิเลสตัณหา แต่ไม่ได้เป็นการสร้างมรรคผลที่ผ่านขึ้นมากลับเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับถ้าพวกเรายัางไปแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกายกันอยู่ก็แสดงว่าพวกเรากำลังไม่ได้ทำภารกิจที่เราควรจะกระทำกัน แทนที่จะทําทานรักษาศีลภาวนาเล่ากลับไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันแล้วผลก็จะเป็นผลที่พวกเราจะต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันเพราะลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ จะ ต, ต้องมีวันเสื่อมไปมีวันหมดไปมีเจริญลาบเจริญยศเจริญสรรเสริญเจริญสุขก็มีวันที่จะต้องเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญได้นินทาเสื่อมสุขได้ความทุกข์เพราะนี่เป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ เขาเป็นของที่ไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญและมีการเสื่อมเวลาเจริญก็เป็นเวลาสนุกสนานแต่เวลาที่เสื่อมก็เป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจถ้าเสื่อมมากๆก็อาจจะถึงขั้นที่ไม่อยากจะอยู่ต่อไป ถึงกับต้องทำลายชีวิตของตนเองไปการได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้มาเกิดพระพุทธศาสนาก็จะไร้ประโยชน์เหมือนกับการถูกรอตตรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ไปขึ้นรางวัลก็กลายเป็นกระดาษชิ้นเล็กๆใบหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราหมั่นเตือน เราอยู่เรื่อยๆราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานี้ไม่มีใครมารับประกรันได้ว่าจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ถ้าเราเรืกเลิกอย่างนี้เราก็จะได้รีบขวนขวายตักตวงมักผลนิพพานกันเหมือนกับเวลาที่คนเขา ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าเขาเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้เหลือเวลาอีกสามเดือนหกเดือนก็จะต้องจากโลกนี้ไปเวลานั้นเขาจะไม่มีความอยากที่จะไปหาราบยศสระเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยแต่เขาอยากจะ ไปทำทานอยากจะไปรักษาศีลอยากจะไปภาวนาเพราะจะได้ทำให้เขาได้รับรางวัลที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้เป็นที่ดับความทุกข์ใจที่จะที่กำลังเกิดขึ้นได้คนเราเวลารู้ว่าตนเองจอะต้องตายนั้น เป็นเวลาที่มีความทุกข์มากถ้าไม่มีมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมาคอยคุ้มครองปกป้องรักษาใจแต่ถ้ามีมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเวลารู้ว่าตนเองจะต้องตายนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจอย่างใดเหมือนกับคนที่มีเสื้อเกาะหุ้มไว้ เวลาถูกกระสุนปืนยิงก็จะไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่ากระสุนไม่เข้าไปถึงตัวของร่างกายได้ถูกเกราะการกระสุนป้องกันเอาไว้ฉันใดมรซีพนซีนิพานอย่างนี้ก็เป็นเหมือนเกราะคุ้มครองจิตใจที่จะป้องกันไม่ให้ความทุกข์ที่เกิดจาก ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเข้ามาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับใจได้เลยดังนั้นขอให้เราสมมุติขึ้นมาว่าเราเพิ่งไปหาหมอมาแล้วหมอหมอบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่ได้เหลือเวลาไม่เกินหกเดือนเราจะได้รีบ ทำทานรักษาศีลและภาวนาอย่างเต็มที่ถ้าเราทําได้อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับรองไว้แล้วว่าภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือถ้าช้ากว่าเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าเจ็ดเดือนถ้าช้ากว่าเจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมาก ตอนนี้พวกเราอายุยังไม่มากโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งถึงขั้นที่จะตายไปในสามเดือนหกเดือนนี้ยังไม่มากเรามีเวลามากกว่าเจ็ดปีที่จะขึ้นรางวัลคือมรรคผลนิพพานนี้ได้ถ้าเราเริ่มต้นเสียตั้งแต่วันนี้ทำทานอย่างจริงจังรักษาศีลอย่างจริงจังภาวนาอย่างจริงจัง ภายในเจ็ดปีเราก็จะมีเกราะคุ้มของจิตใจทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ง่ายคราวหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่เพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วการปรากฏของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆระยะเวลาของพระพุทธศาสนาแต่ละยุคนี้อยู่ห่างกันเป็นกับคำว่ากับนี้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า ตัวเลขที่เราจะเขียนได้เช่นเราเขียนตัวเลขร้อยล้านพันล้านแสนล้านนี้เรายังเขียนได้แต่ตัวเลขที่จะเขียนกลับนี้มันมากศูนย์นี้มันไม่รู้กี่ล้านตัวด้วยกันถึงจะได้หนึ่งกับท่านเปรียบเทียบเวลาของหนึ่งกับว่าถ้าทุกร้อยรทุกหนึ่งร้อยปีเราเอาผ้ามาลูบภูเขาพรสุเมน หครั้งเราทําอย่างนี้ทุกร้อยปีทําไปจนกว่าเขาพระสุเมนจะสึกลาบลงไปหมดหายไปหมดนั่นแหละคือระยะเวลาของเวลาหนึ่งกับด้วยกันคิดดูก็แล้วกันเขาพระสุเมนก็คือเขาภูเขาหิมาลัยเขาที่สูงสุดในโลกนี้ถ้าทุกร้อยปีเราไปเอาผ้ารูปหนึ่งครั้ง จะรูปสักกี่กี่ครั้งด้วยกันถึงจะทำให้เขาพระสุเมรนี้สึกกมราบไปหายไปหมดนั่นแหละคือเวลาหนึ่งกลับด้วยกันและเวลาที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสรุมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนก็เป็นเวลาหลายกลับด้วยกันดังนั้นหลังจากที่ศาสนานี้ได้เสื่อมหมดไปแล้วคือ ภายในระยะเวลาอีกสองพันกว่าร้อยปีก็จะครบ5 0 0พันปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้หลังจากนั้นแล้วก็จะไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครเข้าใจเรื่องของการทำทานรักษาศีลภาวนาเพื่อให้ได้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งแม้แต่ในสมัยนี้ประชาชนที่เป็นชาวพุทธในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าทำทานรักษาศีลภาวนาไปเพื่ออะไร ไม่รู้ว่ามรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งนี้คืออะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างไรกับตนเองไม่รู้เลย ท, ทั้งทั้งที่เกิดอยู่ในเมืองพุทธแทั้ท ง, ทงทั้งที่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่เพิ่งอยู่แต่ไม่รู้กันเพราะว่าไม่สนใจที่จะศึกษากันนั่นเอง เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามคำบอกเล่าแล้วก็ไม่ได้เป็นคำบอกเล่าที่กว้างขวางหรือลึกซึ้งแต่อย่างใด ร, รู้ว่าให้ทาบุญเพื่อจะได้ไปสวรรค์ให้รักษาศีลไม่ทำบาปเพื่อไปเพื่อจะได้ไม่ไปตกนรกเท่านั้นอันนี้จะรู้กันเข้านี้เองส่วนเรื่องภาวนานี้ไม่รู้ไม่เข้าใจกันแล้วว่า ภาวนาไปทําไมนั่งสมาธินั่งหลับตาไปทําอะไรนั่งแล้วจะได้อะไรคนนั่งเฉยเฉนั่งหลับตามันจะได้อะไรโลกจะเจริญได้อย่างไรกับการนั่งหลับตาอันนี้คือความมืดบอดที่ได้เข้ามาครอบงําจิตใจของชาวพุทธแล้วมีชาวพุทธส่วนน้อยที่จะเข้าใจ ว่าการภาวนานี้เป็นไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรก็พวกที่มีความสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติพวกที่ถือศีลแปดถือศีลสองง้อยยี่สิพวกที่มันนั่งสมาธิมันเดินจงกรมมันฟังเทศน์ฟังธรรมเท่านั้นที่จะเข้าใจถึงประโยชน์ ที่จะได้รับจากการภาวนาซึ่งมีจำนวนน้อยมากถึงแม้จะมีผู้ที่บวชถือศีลกันมากทั้งศีลแปดหรือศีลสองอยสิบเจส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปถึงการภาวนาก็มักจะติดอยู่กับเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเรื่องของงานบุญต่างๆ เรื่องคทางของการก่อสร้างถาวบรวัตถุต่างๆสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ทำบุญฉลองสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําบุญฉลองวันครบรอบของอาจารย์วันเกิดของอาจารย์วันตายของอาจารย์ก็มีแต่การทําทานเป็นส่วนใหญ่ส่วนการนักษาศีลนี้ ก็มีไม่มากแล้วยิ่งท่านเรื่องการภาวนานี้แทบจะหาไม่ค่อยได้สมัยตอนที่เรา <c oughs> อยากจะหาที่ภาวนาอยากจะบวชเราเป็นคนแถวภาคตะวันออกนี้ไม่รู้จักไม่หาหาวัดไม่ได้เลยที่จะมีวัดที่มีการปฏิบัติ บ, ตบำเพ็ญกิตติพภาวนากันอย่างจริงจังกัน อย่างเต็มรูปแบบเวลาบวชแล้วจะต้องไปทางภาคอีสานไปปฏิบัติไปศึกษากับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นที่มีการปฏิบัติการอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเต็มที่มีน้อยมากนี่เพียงระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีหลังจาก ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธ์พานิพานไปแล้วเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวานานี้ก็กลายเป็นของแปลกไปแล้วทั้งๆที่ในสมัยพระพุทธกาลนี้เป็นจุดเด่นของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนานี้เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญจิตตภาวานานของพระพุทธเจ้าและการ ปรากฏของพระ อ, อริยสงสาวงทั้งหลายก็เกิดจากผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนากันทั้งนั้นคือผู้ที่เป็นนักบวชถือศีลมีสมาธิมีฌานกันแล้วพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับปัญญาทางพระพุทธศาสนาก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้อย่างรวดเร็ว นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือแก่นของพระพุทธศาสนาก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาส่วนการรักษาศีลนี้เป็นเหมือนเปลือกเหมือนกะพีการทำทานทำบุญนี้เป็นเหมือนเปลือกเหมือนกะพีไม่ใช่ตัวแก่นไม่ใช่ตัวหลักของศาสนาเพราะว่าก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาก็มีการทาทานมีการรักษาศีลมา การอยู่ตลอดเวลาแต่การทําทานรักษาศีลนี้ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดมรรคผลที่ผ่านขึ้นมาได้ไม่สามารถทําให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องมีการบําเพ็ญกิตต ภ, ภาวนาโดยเฉพาะขั้นวิปัสสนาภาวนาขั้นสมถภาวนาคือขั้น ของการทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้บรรุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้การบำเพ็ญสมถะภาวนาก็มีก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ได้ศึกษาสมถะภาวนาจากพระอาจารย์อยู่สองรูปจนได้บรรลุฌานขั้นต่างๆ ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้พระองค์จึงต้องศึกษาด้วยพระองค์เองปฏิบัติด้วยพระองค์เองทดลองลองผิดลองถูกไปจนนั้นที่สุดก็ได้พบกับทางสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ตัดสรู้อริยสัจสี่ คือทุกสมุทยนิโรธมรรคที่เป็นธรรมที่จะพาให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอันนี้เป็นความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องของอริยสัจสี่ ไม่มีใครจะรู้เรื่องของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งจะรู้แค่สมถภาวนาคือการทําใจให้สงบตามฌานขั้นต่างๆรูปฌปานสี่อรูปฌปานสี่แต่จะไม่มีใครที่จะรู้จักการเจริญวิปัสสนาภาวนาทําความรู้แจ้งเห็นจริงของสัจธรรมความจริงที่ผูกมัด จิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นก็คือทุกข์กับสมุทัยทุกข์ก็คือความทุกข์ที่ได้จากการติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็คือสมุทัยก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้ถ้ายังมีตัณหาทั้งสามอยู่นี้ จ, จิตใจก็จะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ให้ได้ต้องไม่ให้มีตัณหาทั้งสามนี้อยู่ภายในใจไม่ให้มีการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในการารมณ์ต่างๆ ต้องไม่มีภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีสมบัติพระสถานล้นฟ้าลนภูเขาและก็ต้องไม่มีวิภาวตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่เสื่อม ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจก็จะผูกใจให้ติดอยู่กับวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัตะสงสารสังสารวัฏถ้าอยากจะหลุดพ้นก็ต้องมีปัญญาคือต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ให้แก่ใจและสิ่งที่ อยากได้ก็เป็นสิ่งที่ผระดิกความทุกข์ให้กับใจเช่นเดียวกันเพราะสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นี้ล้วนเป็นของไม่ถาวร น, นั่นเองเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่ไม่นานเขาก็หมดไปจากเราไปเวลานั้นก็เศร้าโศกเสียใจเวลาที่อยู่กับเขาก็ไม่มั่นใจมีความวิตกกังวลใจ มีความหวาดกลัวว่าเขาจะจากเราไปอันนี้ก็เป็นการผลิตความทุกข์ขึ้นมาด้วยความที่ไม่รู้ธรรมชาติของสิ่งที่เราอยากได้กันว่าเป็นตัวที่จะทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นไม่ใช่ทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงมีเงินมากขึ้นก็จะมีความทุกข์ความวิตกกังวลมากขึ้น มีอะไรมากขึ้นก็จะต้องมีความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร น, นั่นเองรอเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปอย่างช่วงนี้คนที่ไปถอนเงินจากธนาคารนอมสินกันก็เพราะว่ามีความวิตกกังวลว่าเงินทองที่ได้ไปฝากไว้ในธนาคารนอมสินอาจจะไม่ มีอีกต่อไปก็ได้นี่ก็เป็นความทุกข์ของคนที่มีเงินฝากที่ธนาคารอมสินแล้วแต่คนที่ไม่มีเงินฝากในธนาคารอมสินเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาไม่มีความทุกข์นี่เรามองไม่เห็นกันเรามองไม่เห็นทุกข์ในราบยศสรรเสริญยศก็ทุกข์กันทุกวันนี้ก็แย่งตําแหน่งกันแย่งเก้าอี้กันอยู่ทุกวันนี้ มีเก้าอี้ก็มีคนอื่นเขาก็อยากจะดึงให้เราตกเก้าอี้มีคนอื่นเขาอยากจะขึ้นมานั่งแทนเราแต่คนที่ไม่มีเก้าอี้นั่งก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องมาคอยปกป้องรักษาไม่ต้องมาทุกข์กับความไม่แน่นอนของตำแหน่งของเก้าอี้เหล่านี้นี่คือความทุกข์ในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ ที่เกิดขึ้นที่เรามองไม่เห็นถ้าเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือเราไปควบคุมบังคับรักษาไว้ไม่ได้เสมอไปเป็นทุกข์เพราะว่าเราจะต้องเสียใจเราจะต้องกังวลใจเราต้องวิตก วุ่นวายใจไปกับของที่เราได้มาพอเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้เพราะเหมือนกับไปอยากได้ยาพิษมาดีๆนี่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้เป็นยาพิษเราจะกล้าเอามารับประทานหรือไม่ไปซื้ออาหารที่ร้านแล้วเราผายเนาะในสองเขา เขียนไว้สวยงามเลยว่าเป็นอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดชนิดนี้เป็นขนมชนิดนั้นชนิดนี้แต่ถ้ารับประทานไปแล้วตายนี่เราจะกล้ารับประทานหรือเปล่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษเราก็จะรับประทานกงนพอรับประทานไปแล้วมันทําให้เราตายมาทีหลังมันก็สายไปเสียแล้วก็เช่นเดียวกับเรื่องของราบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าเราไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราก็จะหลงไปสแสวงหาราบยศสะระเรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูมกลิ้นกายกันแล้วเราก็ต้องมาบ่นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเรามองไม่เห็นตายรับในสิ่งทั้งหลายที่เรากําลังไปสแสวงหากัน เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากภายในใจของเราเราจึงทุกข์หรือจึงวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้และก็จะทุกข์จะวุ่นวายอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายจากโรคนี้ไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมันก็ยังอยู่ภายในใจ ความอยากมันก็ยังอยู่ภายในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็พาเราไปทุกข์อยู่ในภพหน้าต่อไปกลับมาเกิดใหม่ก็มาทุกข์ใหม่มาหลงกับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกเราทุกคนเกิดมานี้พอโตพอโตมีปัญญาก็จะเข้าหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลล่นกายกันเลยไม่เหมือนกับการหามากผลในพานนี้ต้องสอนกันแบบปากเปียกปากฉีกก็ยังไม่สามารถที่จะทํากันได้เพราะว่ากระแสะของใจนี้มันไหลไปทางการสแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลล่นกายอยู่ตลอดเวลานั่นเอง การที่จะว่ายทวนกระแสน้ํานี้มันจึงเป็นของยากการว่ายตามกระแสน้ํามันเป็นของง่ายใจมันจึงไปกับกระแสของการแสวงหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายกันแล้วก็ไปติดกับของความทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็ว อันนี้คือเรื่องของการไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาอยากได้นี้มันเป็นยาพิษเป็นเหมือนยาพิษได้มาแล้วมันจะทําให้ใจของเราทุกข์ทำให้ใจของเราวุ่นวายพอเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็จะ บรรลุมักผลนิพานได้นี่คือปัญญาที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งธรรมผู้ใดเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากที่แสดงอยู่ภายในใจผู้นั้นก็จะสามารถยุติการแสวงหายุติความอยากต่างๆได้พอยุติความอยากได้ก็จะ ดับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้เมื่อดับความทุกข์ได้ก็เรียกว่าได้บรรลุมรรคสีผลสีนิพพานเองแล้วนั่นเองนี่คือคำสอนด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัรุทรงตัดสัลุพระอริยสัจสี่ทรงตัดสรลุไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตา <c oughs> พอรู้อันนี้แล้วก็จะดับความอยากได้ละความอยากได้ละความอยากได้ก็ดับความทุกข์ได้ดับการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วจิตก็ไม่มีตัวที่จะผลักดันให้ไปเกิดใหม่ต่อไปพอไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเ่ามาไม่มีความทุกข์ตา ม, มานั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงทรงตัดว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ใดถ้าเกิดมาแล้วนี้จะต้องมีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้เป็นเวลาที่เราเลี้ยงฉลองกันเฮฮาปาร์ตี้กันหรือว่าเป็นเวลาที่เราเศร้าซ่อยหงอยเหงา ร้องห่มร้องไห้กันอันนี้แหละคือการตัดสั้ของพระพุทธเจ้านำความรู้อันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีภูมิมีปัญญามีความสามารถที่จะน้อมนำออกไปปฏิบัติได้ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตสาวกกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในยุคแรกๆของการเผยแผร่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมุ่งสอนแก่บุคคลที่มีอินทรีย์ที่แก่กลามีภูมิปัญญาที่แก่กล้าถ้าเปียบเป็นพวกบัวก็เป็นพวกบัวที่อยู่เหนือน้ําแล้วพวกที่รอให้ได้รับกับแสงตะวันก็จะบานออกมาพวกนี้ก็คือพวกที่ได้บวชเป็นพระ ในลัทธิต่างๆแล้วได้รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ได้ปฏิบัติเจริญสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องของตายหลักให้เขาได้ยินได้ฟังเขาก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยอย่างตอนที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่โลก มีผู้ฟังอยู่ห้ารูปด้วยกันคือพระปัญจวคีเป็นเป็นนักบวชที่เคยติดสอยห้อยตามพระพุทธเจ้ามาก่อนเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีฌานมีสมาธิอย่างแก่กล้าแต่เป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงปัญญาที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุปได้ทรงพบก็ปรากฏมีหนึ่งในห้าได้บรรลุ มักผลที่ผ่านขั้นที่หนึ่งเลยคือพระอน ญ, ญานโกนธัญญาได้บรรลุโสดาปต์โสดาปติผลโสดาปติมักแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอีกครั้งหรือสองครั้งก็ปรากฏมีพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้บรรลุขั้นพระอาลารถผลกันเลยได้บรรลุถึงพระนิพพานกัน เพียงได้ฟังเทศฟังธรรมเพียงสองสามครั้งจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี่เนื่องจากว่าใจของเขานั้นมีอินทรีย์ที่แก่กล้าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับมีจานมีชามไม่รองรับอาหารที่พระพุทธเจ้าจะตักใส่ให้กับเขาคนที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิฟังธรรมไปกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ ไม่มีวันที่จะบรรลุได้พราเหมือนกับคนที่ไม่มีจานไม่มีชามาลองรับอาหารพอเพอตักอาหารใส่มือเหมือนก็ไหลทิ้งไปหมดนี่คือความแตกต่างระหว่างสมัยพระพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันพวกเรานี้ฟังเทศฟังธรรมกันมาจนหูฉีกแล้วมนะั้งฟังไม่รู้มากี่ร้อยกันกี่พันกันแล้ว บางแล้วมันก็ยังไม่เห็นมีมรรคผลนิพผานปรากฏขึ้นมาภายในใจเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่มีผาชนะที่จะลองรับพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นเองเรายังไม่ได้ทําทานอย่างเต็มที่เรายังไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เรายังไม่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆ พอฟังเทศฟังธรรมแล้วมันก็ไหลไปเลยเข้าหูซ้ายแล้วมันก็ออกไปหูขวาเลยมันไม่เข้าไปในใจมันไม่มีภาชนะที่จะรับให้เข้าไปในใจนั่นเองแต่ถ้าเรามีทานมีศีลมีสมาธิเวลาฟังธรรมแล้วเราจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลย อย่างที่ทรงได้รับรองไว้ว่าภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีถ้าสามารถสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาได้มาลองรับปัญญาที่ทรงสอนได้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะรับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนา พวกเราก็ต้องเดินทางไปรับกันการเดินทางไปรับก็คือต้องทาทานทำทานก็ไม่ใช่ทําอย่างที่เราทำกันอยู่ขณะ น, นี้ทำขณะนี้ยังไม่พอเพียงเราอาจจะทำกันร้อยละสิบของทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่เรามีอยู่อันนี้ยังไม่พอต้องทำร้อยร้อยในร้อยเลยคือมีเท่าไหร่ก็ สละไปหมดเลยอย่างคนที่เขาออกบวชกันเขามีสมบัติข้าวของเงินทองเท่าไหร่เขาก็ยกให้คนอื่นไปหมดเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงสระละราชสมบัติพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีสมบัติเข้าวของเงินทองมากน้อยทั้งหลายก็ยกให้คนอื่นไปแล้วก็ออกไปรักษาศีลออกไปบวชกันการบวชก็คือการรักษาศีลการภาวนานี่ย ถ้าทำทานได้เต็มร้อยก็จะรักษาศีลได้เต็มร้อยรักษาศีลได้เต็มร้อยก็จะภาวนาได้เต็มร้อยพอภาวนาได้เต็มร้อยก็จะได้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งอย่างเต็มร้อยเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราขาดคืออะไรเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราทำทานได้มากน้อยเพียงไร ye? เรารักษาศีลได้มากน้อยเพียงไร เรานั่งสมาธิได้มากน้อยเพียงไรเราเจริญปัญญาได้มากน้อยเพียงไรเห็นตายรักหรื อ, อยังเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลาบยศสรรเสริญสุขหรือเปล่าในรูปคือร่างกายนี้หรือเปล่าในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เราจะได้ปล่อยวางไม่ยึดติดไม่อยากได้ไม่มีความอยากได้อะไรถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเห็นว่าเป็นสุขเป็นนิจจังเป็นอัตตาเป็นของเราเป็นของถาวรเราก็จะอยากได้พอเราอยากได้เราก็จะติดกับของการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้น ถ้าเราอยากจะรับรางวัลคือมรรคสีผลสีนิพพานอย่งนี้เราก็ต้องรีบขวนขวายทำทานกันให้มากขึ้นไปตามลนดับรักษาศีลให้ได้มากขึ้นไปตามลนดับภาวนาทาใจให้สงบให้ได้มากขึ้นไปตามลนดับเจริญปัญญาให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้ได้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วรางวัลที่เราต้องการกันก็จะปรากฏขึ้นมาเองถ้าเราไม่ทำก็จะไม่สามารถที่จะรับรางวัล น, นี้ได้ไม่มีใครจะไปขึ้นรางวัล น, นี้ให้กับเราได้เป็นรางวัลที่เราจะต้องไปขึ้นกันเองไม่มีใครทำทานแทนเราได้ไม่มีใครรักษาศีลแทนเราได้ ไม่มีใครภาวนานั่งสมาธิแทนเราได้ไม่มีใครเจริญปัญญาแทนเราได้เราต้องเป็นผู้ที่จะบำเพ็ญเองเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามปลูกความศรัทธาให้เกิดขึ้นมาให้เห็นคุณค่าของการได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่าและโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ก็เป็นโอกาสที่หาไม่ได้อย่างง่ายดายโอกาสที่เราได้มานี้ได้มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากมากแต่เรามีโชคมีวาสนามากเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง เวลาเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราคงจะไม่นั่งนิ่ ง, งๆเฉยๆเราก็คงจะรีบไปขึ้นรางวัลเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวลอตเตอรี่มันหายไปหรือเกิดเราตายไปก่อนเราก็จะไม่ได้รับรางวัลกันฉันใดก็ขอให้เรามองว่าการได้มีโอกาสได้ไปรับรางวัลมรรคผลนิพพานนี้เป็นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ขอให้พวกเรารีบไปรับรางวัลกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วเราก็จะได้รับรางวัลอย่างที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้รับรางวัลกันท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเป็นมนุษย์มีอาการสามสิบสองมีความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันมีตัณหาความอยากเหมือนกันแต่ท่าน พอหลังจากที่ได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคําสอนท่านก็รีบปฏิบัติกันพอปฏิบัติแล้วก็ผลก็ปรากฏขึ้นมากันอย่างรวดเร็วพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเรารีบทําทานกันรีบรักษาศีลกันรีบภาวนากันแล้วผลก็จะตามมาอย่างแน่นอน เหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราหมั่นลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอยกำจัดวัชพืชกำจัดมแมลงสัตว์ต่างๆที่จะมาทาลายต้นไม้ไม่นานต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตออกดอกออกผลขึ้นมาฉนันใดใจของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันใจของเราก็จะเจริญงอกงาม โดยมรสีผลสีนิพพานหนึ่งถ้าเราหมั่นทำทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนากันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องทำให้มากขึ้นตามลำดับจากจุดที่เรากำลังทำอยู่ทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่นานใจของเราก็จะเบ่งบานออกมาด้วยมรสีผลสีนิพพานหนึ่งอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการ มาขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปุริปรเนติสักรังเอวเมวะอิโตชินนางเปตานังอุปกัปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพโปรเณตุสังกาปาจันโทปนะหราสุยะถา มณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาชนตุสัพปรโควินาศตุมาเตปวตวันตระโยสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาธานติอายุวโนสุขัง พาลัมีอ้างา้ามา้ๆถึงจะได้ในัได้คือรวมนั่งสมาธิแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเจิตถึงระดับหนึ่งแล้วถ้ามันก็นิ่งเฉยอยู่แบบนั้นนลยเจ้าค่ะ ยการแล้วเราควรจะทำยังไงต่อครับคือการทำสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งเฉยถ้าเรานิ่งเฉยก็ถือว่าเราสำเร็จขั้นสมาธิแล้วเราต้องการให้นิ่งเฉยเพียงแต่ว่าอยากให้มันนิ่งเฉยนานๆถ้านิ่งเฉยทั้งวันได้ยิ่งดีเวลานิ่งเฉยมันเย็นมันสบายมีความสุขแต่เวลามันออกมาจากสมาธิแล้วมันไม่นิ่งเล พอเห็นอะไรได้ยินอะไรมันก็เต้นแล้งเต้นกาขึ้นมาตอนนั้นถ้าอยากจะรักษาให้มันนิ่งต่อไปก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ทำให้เราเต้นแล้งเต้นกานี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราอย่าไปยุ่งกับมันให้รู้เฉยๆแล้วอย่าไปมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรารับรู้ได้ยินเสียงก็คิดว่าเป็นเสียงนกเสียงกา อย่าไปคิดว่าเป็นเสียงสรรเสิร์นนินทาพอเป็นสรรเสริญก็จะเต้นร้กเต้นกาดีอกดีใจขึ้นมาพอเป็นเสียงนินทาก็จะโกรธแค้นโกรธเคืองวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นเพียงเสียงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ดับไปมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามเสียงนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปอยากให้เสียงนั้นหายไปหรือว่าให้เสียงนั้นดี เราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือขั้นวิปัสสนาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาตลอดเวลาเวลามีอะไรมากระทบต้องรู้ทันรู้ทันปล่อยวางปล่อยวางให้ได้เวลาเสียงมาสัมผัสก็ปล่อยวางรูปมาสัมผัสก็ปล่อยวางอะไรมาสัมผัสก็ปล่อยวางอย่าไปเอามาเป็นอารมณ์ พอเป็นอารมณ์แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากได้บ้างอยากไม่ได้บ้างอยากมีบ้างอยากไม่มีบ้างเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บก็ไม่อยากจะเป็นเห็นคนร่าคุณรวยก็อยากจะเป็นต้องเห็นแล้วต้องเฉยเฉยเห็นว่ารวยก็ตายแก่เจ็บตายก็ตายจนก็ตายเพราะว่ามันไม่ถาวมันเป็นอนิจจงยิ่งอย่าไปอยากเป็นอะไรเลย แล้วใจของเราจะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรูบ้โดยจะดูร่างกายเราก็ดูว่ามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราอยากไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทําให้เราหุ่นวายใจทุกข์ใจแตนะถ้าเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายเราจะสบายจะแก่อย่างสบายจะเจ็บอย่างสบายจะตายอย่างสบาย นี่คือท่านเวลาเราออกจากความสงบแล้วเราต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราเครียดกับการสอนเราก็หยุดแล้วเราก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำใจให้นิ่งให้เฉยใหม่ไปพักใจไว้ก่อนเหมือนกับการไปไปรับมีดเวลาใช้ปัญญาไปนานๆเข้ามันจะทื่อคิดบ่อยๆแล้วมันจะทึกพอมันทึกเราก็หยุดคิด กลับเข้าไปในสมาธิทำใจให้นิ่งเฉยต่อแล้วพอออกมาก็ใช้ปัญญาใหม่มันก็จะมีกำลังมีความแหลมคมมากขึ้นไป mm hmm. ก็จะตัดสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปหลงไปอยากได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่หลงไม่อยากได้อะไรเราจะอยู่เฉยๆได้มีความสุขกับการอยู่เฉยๆอยู่กับการนิ่งเฉย ตอนนี้เราจะนิ่งเฉยได้แต่เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิแล้วเราเฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาคู่ใจมันจะเฉยได้ปัญญาจะตัดไม่ให้ใจเราไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรูบ้ยังต้องทำสลับกันทำสมาธิให้นิ่งเฉยออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนให้ใจนิ่งเฉยต่อไป า้าใจไม่นิ่งเฉยแล้วปัญญาไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันนิ่งเฉยก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อนตามนี้สลับกันไปอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบางครั้งเวลาปฏิบัติก็ฟุ้งไปเหมือนกันถ้าฟุ้งก็ต้องเข้าไปก็หยุดต้องหยุดคิดกลับไปในสมาธิ <Okay. S 1> ถ้าคิดแล้วไม่ฟุง้งถ้าคิดแล้วเป็นปัญญาจะไม่ฟุง้งจะสงบจะนิ่งเฉย แต่ถ้าคิดแล้วฟุ้งก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นตัญหา<ม>ก็ต้องหยุดกลับเข้าไปทำสมาธิให้มันนิ่งเฉยใหม่แล้วค่อยกลับมาพิจารณาทางปัญญาใหม่ถ้าเป็นปัญญามันจะสงบมันจะนิ่งเฉยไปเรื่อยๆแต่ถ้ามอมันพอมันไม่นิ่งเฉยมันไม่สงบมันฟุ้งก็แสดงว่าเป็นกิเลสเป็นปัญหาแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็กลับไปทาจิตให้นิ่งเฉยด้วยสมาธิใหม่ สลับกันทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะสามารถพิจารณาให้จิตนิ่งเฉยได้ตลอดเวลาต้องเห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาแล้วใจก็จะปล่อยวางจะนิ่งเฉยได้เข้าใจนะโอเค สแข็มากนะคะครนี้เข้าสมาธิมาราณกพักแล้วิอาจจะเบาลงมาให้วขนาตีขาเจ็ดันนี้วิชาพได้รับคสั่งมาว่าให้ใช้ขันติถึงสมาธีไม่ได้แน่่ก็ภาวนาต่อไปสิจั้นเร่อองจาจวางจิตไง้อยู่ที่เจ็หรือจะไปอยู่ที่จุดใยจุดก็ภาวนาดีกว่าถ้าเราเวลาเราภาวนาเราใช้อะไรภาวนาน่ะ ก็กลับไปดูลมหายใจอย่าไปดูความเจ็บถ้าดูความเจ็บแล้วมันจะเกิดกิเลสจะเกิดความอยากให้มันหายมันจะยิ่งเจ็บใหญ่งนั้นอย่าไปสนใจในขั้นต้นนี้ใช้สมาธิเป็นตัวช่วยให้เราใช้สติให้เรามีอนาปนาสติล้วก็อยู่กับลมหายใจไปถ้ามันไม่ยอมอยู่กับลมใช้บริกรรมพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บเพราะตอนนี้เราไม่มีกาลังที่จะหยุด ตันหาความอยากให้มันไม่เจ็บได้แล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์มากขึ้นถ้ายิ่งเห็นความเจ็บก็ยิ่งจะเกิดความทุกข์ใจมากขึ้นนั้นถ้าเราไม่ไปสนใจมันเรามาอยู่ที่พุทโธพุทโธความอยากให้ความเจ็บหายไปมันจะไม่มีแล้วความทรมานใจมันจะไม่เกิดแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายได้ด้เราต้องภาวนาต่อไป เคยอคยเคยทำหรือว่าเป็นเพราะสติยังไม่แข็งนะคะเพราะว่าเพราะว่าทำเสร็จแล้วมันตอนแรกมันก็พอได้ตอนหลังมันพุ่งขึ้นมาแบบจะนี้หายใจไม่ออกก็เจ็บมากเราไม่สู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปออแล้วต้องภานาต่อไปคือเราต้องไม่หวังว่าสามาธิจะกลับไปเหมือนเดิมคือไม่ต้องหวังอะไร<ม>ให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมอย่างเดียวให้มันขาดให้มันขาดใจไปกับพุทโธเลยอพุทโธนี่แหละจะเป็นตัวที่ปกป้องรักษาใจเราได้ ถ้าไปดูอย่างอื่นมันไม่มีทางเพราะเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดตัณหาความอยากภายในใจเราได้เราต้องใช้พุโทโธหยุดไว้ก่อนต่อไปพอเรามีพลังแล้วที่เราจะใช้ปัญญาหยุดตัณหาได้แต่ตอนนี้เราไม่มีกําลังทางทางใจทางสมาธิพอที่จะมีสติสตัง์ที่จะแยกแยะความทุกข์กายออกจากความทุกข์ใจ มันจะพันกันเป็นตัวเดียวกันพอเจ็บกายแล้วก็เจ็บใจตามด้วยทุกข์ใจตามด้วยนั้นเราต้องแยกความหยุดความทุกข์ใจด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนถ้าเราอยากจะผ่านความทุกข์ไปเราก็ต้องเราต้องไม่เปลี่ยนพอเราต้องคิดว่าสมมติว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเปลี่ยนท่ายังไงมันก็เจ็บอยู่ดีเราหนีมันไม่พ้นความเจ็บนั้นเราอย่าไม่เราไม่หนีความเจ็บ เราต้องการหยุดความเจ็บที่เราผลิตขึ้นมาเองคือความเจ็บทางใจถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธมันก็จะผลิตความอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปไม่ได้พอมันไม่ผลิตความอยากขึ้นมามันก็ไม่ผลิตความทุกข์ใจขึ้นมางั้นเบื้องต้นนี้เราต้องใช้อุบายของการบริกรรมบริกรรมอะไรก็ได้พุโทโธก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้อินทรีย์โสอะรหั่งสัมมาอะไรไป ส่วให้มันอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บเลยเหมือนตอนเราดูหนังเนี่ยเวลานั่งดูหนังไม่ปวดปัสสาวะมันยังทนได้เลยเพราะมันจะดูมันอยากจะดูหนังแต่เวลาไปนั่งรอใครนี่พอปวดน้อยนิดหนึง่งต้องรีบเข้าห้องน้ํำนะอนที่ไม่ถึงพุนีธต้องวางจิตไว้ตรงไหนอยู่กับพุทธโธสิอยู่กับพุทธโธนะอา่าออให้รู้อยู่กับพุทธโธนะั่นแหละให้จิตอยู่กับพุทธโธให้เป็นหนึ่งกับพุทธโธไปเลยอืไม่ให้ไปที่อื่น ไม่ให้ไปที่เวทนาไม่มีไม่มีไม่มีฐานแล้วถ้าพุทโธก็พุทโธนี่แหละเป็นฐานอ่ะถ้าจะเอาลมก็เอาลมถ้าจะเอาพุทโธก็เอาพุทโธไปพุทโธนี่แหละเป็นฐานของจิตเวลาเบิการรมพุทโธก็อยู่กับพุทโธ อ, อย่างเดียวรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้กับเรื่องอื่นให้รู้อยู่อย่างเดียวแล้วมันจะมันจะสงบมันจะนิ่งอตถ้าไปรู้หลายเรื่องมันก็ มันก็จะสายไปสายมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุกขึ้นมาอาจารย์บอกให้เราจับอีกัพุทโธนะเวทนาอ่อนๆหรือตอนที่เวทนาเข้มแล้วอะคะถ้าเราเจ็บมากๆหรือเจ็บนม่ที่เราก็เริ่มขอนออกมาแล้วอยู่กับพุทโธเลยเราควรจะเข้าไปตอนที่ที่เราเริ่มไม่ไหวสุดๆแล้วอะคะก็ลองดูแต่ไห น, นมันมันมันได้ผลดีก็เอาอย่างนั้นจะลอยให้ไฟลุกท่วมบ้านก่อนแล้วก็เอาน้ํามาดับไฟดีเรื่องว่า พอไฟเริ่มลุกกล็ลาเอาน้ามาฉีดก่อนอันไหนมันจะดีกว่าใช่ไหมต้องต้องลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วการที่อเอานั่แต่ช่วงแรกที่ฝุกนั่งใหม่ๆตักวกุเรตนะก็จะเกิดเดี๋ยวมาเร็วพอเรานั่งไฟนั่งไฟเนี่ยปัจจุบันผมผมนั่งทุกทวันช่วงดึเช้าแน่ยสองชั่วโมงไม่มีอาการเจ็บอะ ไ, ง ไ, งไงเนี่ยาบางศัพนักบอกว่าถ้าไม่เจ็บต๊องออกแล้วนั่งใหม่เพื่อให้ ให้เห็นเจ็บก่อนให้เห็นทุกข์ก่อนถ้าถ้าไม่ทุกข์ใช้ไม่ได้จิตเป็นยังไงครับไม่จําเป็นหรอกถ้ามันไม่เจ็บคือมันไม่เจ็บมันมีสองลักษณะคือมันอยู่ในสมาธิจริงๆหรือว่ามันหลับมันหลับมันก็ไม่เจ็บที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิหรือว่ามันหลับกันแน่เจ็ก็ดูลมหายใจรู้ตัวตลอดครับต้องมีความต้องมีความรู้สึกตัวเหมือนกับเราคุยกันอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันสงบมันไม่ฟุ้งมันไม่ปรุงแต่ง มันก็จะไม่เจ็บส่วนถ้าถ้ามันนั่งหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยสองชั่วโมงลืมตาขึ้นมาโอ้เรานั่งไวอย่างนี้เรียกว่านั่งหลับงั้นต้องรู้จักแยกแยะว่ามันเป็นอะไรสมมติว่าถ้ามันเป็นสมาธิจริงก็ดีเลยถ้าเรานั่งให้นิ่งเฉยได้ทั้งสองชั่วโมงเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องให้มันเจ็บหรอกเพราะตอนนี้เรากำลังต้องการสร้างฐานของความสงบให้มันให้มันนิ่งไปนานๆ น, นิ่งไปจนกว่ามันจะ ไม่นิ่งแล้วมันเริ่มเจ็บแล้วคุณค่อยไปต่อสู้กับความเจ็บอีกทีหนึ่งไม่จาเป็นจะต้องออกจากจากความสงบนั้นออกมาเพื่อมาหาความเจ็บความเจ็บถ้าเรานั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันขึ้นมาเองถ้าสองชั่วโมงผ่านไปไม่เจ็บก็ลองดูสามชั่วโมงดู <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องเจอแน่ๆไม่ต้องไปลุกขึ้นมาหรอกกลัวมันนั่งหลับซะมากกว่าถ้านั่งหลับแปดชั่วโมงก็ไม่เจอ อแล้วแล้วอย่างว่าเออการที่เรานั่งบ่อยๆสะสมไม่บ่อยเนี่ยให้ความเจ็บภายในนั้นถึงไม่พัฒนาไปเพราะใจเราไม่ปรุงแต่งไงใจเรานิ่งใจเราสงบมันก็เลยไม่เกิดความเจ็บขึ้นมาแต่เพื่อนที่ที่สอนเพราะพิสศาสนาด้วยกันก็บอกอขิดแล้วต้องให้เพจเราถ้ำขวันเมืองนะครับที่ต้อมาให้กลับมาให้ให้เกิดทุกขเวทนาเพราะว่าถ้าไม่เห็นทุกจะไม่เห็นธรรมอะไรก็ไม่ อันนั้นมันอีขั้นยังไงแต่เราอยู่ขั้นสมนาธิเราต้องการให้มันสงบไปเรื่อยๆนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีดแล้วนั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็จะไปเจอความเจ็บเองไม่ต้องไปลุกหรอกพอสติเราเริ่มเริ่มอ่อนกําลังลงตันหากิเลสมันเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเจ็บขึ้นใหม่เพราะเกิดความเจ็บเราคุณก็ต่อสู้กับความเจ็บเพื่อให้เห็นเห็นธรรม ก็ต้องพิจารณาตายรักอย่างที่เราสอนให้พิจารณาว่าความเจ็บนี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันหายถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอย่าไปอยากให้มันหายคือให้ทำใจให้เฉยเป็นอุเบกขาเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิให้ได้นี้ การนั่งสมาธินานๆเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขานี้จะเ ป, เป็นประโยชน์ตอนที่เราไปใช้ในวิปัสสนาถ้าใจเราไม่มีอุเบกขานี้จะทนพิจารณาทุกขเวทนาไม่ได้จะทนดูวันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้เพราะใจมันจะวุ่นแล้วพอเจอความเจ็บนี่มันจะไม่นิ่งเฉยแล้วมันจะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแล้วตอนที่เราได้อยู่ถึงฌานสี่ กูเบะข า, าเปกรตาเราจะเป็นจะต้องถอยออกมาไม่ถอยญญไม่ถอยไม่ถอยถออยู่นั้นจังการมันจะถอยออกมาเองนนนนนไม่ต้องพิจนารณาไม่ต้องเวลานั่งสมาธิต้องการให้มันนิ่งเฉยอย่างเดียวเวลาจะพิจารณานี่ให้มันออกมาก่อนอให้มันออกมาเองไม่ต้องเป็นดึงมันออกมาดันมันเข้าไปแทบเป็นแทบตายพอมันเข้าไปแล้วก็จะเป็นเดึกมันออกมาอย่างก็ไม่ต้องเข้าไปมันเสียเวลาตอนนี้คุณก็พิจารณาได้เลยเนี่ คุณอยากจะพิจารณาตอนนี้ก็พิจารณาได้เลยในชีวิตจะมันอ่าคุณเห็นอะไรก็พิจารณาเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยวางมันให้ได้ที่มันปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะมันไม่มีอุเบกขามันไม่ได้มันไม่ได้มีอุเบกขาเราถึงต้องเข้าไปสร้างอุเบกขาในสมาธิแต่พอเราไปถ่ายอุเบกขาเราก็ดึงมันออกมาแล้วยิ้งแล้วมันจะมีอุเบกขาได้อย่างไรมันอุเบกขาต้องให้มันนานๆอย่างที่คุณบอกนั่งนิ่งอยู่สองชั่วโมงอย่างนี้ ถ้ามันเป็นอุบัขาจริงออกมานี่ใจจะเฉยจะเย็นจะไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้แล้วถ้ามันมาเราใช้ปัญญาได้พิจารณาได้การที่ใช้ปัญญาพิจารณาในชีาวิตประวันนี่ถือเป็การเจริญสติภายในตัวหรือเป่าอ้ัญญาก็เจริญปัญญาสิมันจะเป็นเจริญสติอะไรล่ะคุณใช้ปัญญาก็เจริญปัญญาแ ล, ล้วไงเจริญสติคือรู้ท่าทาง ไม่ใช่นันไม่ใช่สักนั่นไม่ใช่นี่รู้เท่าทันต้องเป็นปัญญารู้ว่ารู้การเคลื่อนไหวของกายอ่าเ น, นี่ยนะรู้สติแต่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นปัญญาแล้วรู้ว่ามันเป็นทุกข์รู้ว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาแล้วแต่ถ้ารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติอย่างเดียวสตินี่ดับความทุกข์ไม่ได้ คือดับได้ชั่วคราวเวลามีสติมันก็ไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาแต่เวลาเผลอสติเมื่อไหร่มันก็จะผลิตความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่ผลิตเพราะปัญญาจะตัดความอยากได้ตตญญอต้องมีสติก่อนถึงจะมีสมาธิพอมีสมาธิแล้วถึงจะพิจารณาทางปัญญาได้ เพ้าใจมีความนิ่งมีความอุเบกขาพอที่จะมองอะไรได้คนที่ไม่มีสมาธินี่ใจมันจะวู่ว่าพออะไสัมผัสหน่อยมันจะร้อนขึ้นมาทันทีโกรธก็โกรธขึ้นมาทันทีแต่คนที่มีสมาธินี้มันจะไม่โกรธแบบดุรุนแรงมันจะเริ่มโกรธแต่เราเร า, เราจะรู้ว่า อ, อ๋อมันจะออกจากอุเบกขาแล้วเราต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์มันละหยุดมันให้ได้ เิ่นต้องให้มีอยู่เบกขามากๆอย่างพวกฤษีที่เขาเข้าฌานกันได้เนี่ยพอฟังธรรมโอรสเจ้าเขาไปใช้เขาก็บรรลุได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีสมาธิไม่มีอบเบิกขามากพ อ, อ, อกมาเจออารมณ์ปั๊บก็ไปเลยเกิดอารมณ์ก็ไม่มีทางที่จะพิจารณาได้นละ้วพอเกิดอารมณ์แล้วก็ไม่ทันการลนะไฟไฟเริ่มไหม้บ้านลนะต้องเอามันตอนที่มันเริ่มจะลุกไหม้แล้วรีบดับมันตอนนั้น นั่งไปแล้วเกิดอาการสั่นคือาสออะไรสั่นคือเรานั่งไป่ตัวเรานสั่นอ่าไม่ใช่ชาแล้วมันอ่มันไม่มีสติแล้วถ้ามีสติมันต้องไม่มันไม่สั่นมันต้องนิ่งการนั่งนี่มันต้องนิ่งสมัยนั่งแรกๆเนี่ยจะสั่นแต่ตอนนี้ไม่สั่นอมันสั่นนี่มันแสดงว่าไม่มีสติแล้วมันปล่อยให้จิตไปเหมือนกับเข้าทรงแล้ว ที่เขาใช้วิธีที่ที่เขาสอนแล้วการล่อชาญโดยการไม่ได้สั่งแต่ว่าตัวเองสั่งวัดทำฝันเมืองเห็นเขาทากันครับอันนั้นอันนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมครเราไม่ได้ทำเราก็ไม่รู้ละ เ, <c oughs> เขามีครูบางคนเขามาสอนมาเรียนให้ล่อชา้วอ่ อ, อ, อแล้วแต่แต่ใน เท่าที่ศึกษามาจากพระต่พิดด ก, ก็ดีจากครูบาอาจารย์ก็ดีไม่เห็นท่านมีวิธีล่อฌานกันนะแต่ยุคนี้สมัยนี้จะมีวิธีทำสมาี่หลากหลายวันก่อนก็มีคนมาเล่า ว, ว่าต้องเหวี่ยงเหวี่ยงตัวมันถึงจะสงบก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สงบไหย มันมีมันมีแปลกแปกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเื่วิธีทำสมาธิในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงไว้สี่สิบเนิตกรรมฐานสี่สิบเอาตรงนั้นดีกว่าเอาของแท้ของจริงดีกว่าอย่าเอาไปเอาของเทียมของอะไรมาทดลองเลยเสียเวลาไปเปล่าเปล่าเอาของที่ได้รับการรับรองมาสองพันห้าร้อยกับปีแล้วดีกว่าไอ้พวกนี้ครับทำพวกนี้ไม่ได้มันก็เลยหาวิธีพิดารขึ้นมา แล้วได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผลที่ได้เป็นผลจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะ ต, ต้องถือหลักว่าการทำสมาธิก็เพื่อให้มันนิ่งกายนิ่งใจถ้าไปทำแล้วให้มันใจสัน่นกายสั่นนี่มันไม่ใช่ทำสมาธิแล้ ว, ลวจะเรียกว่าทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนพวกเข้าเข้าเจ้าเข้าทรงกัน จิตนี่มันมันแสดงอาการต่างๆได้เยอะแยะถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเองถ้าไม่ควบคุมมันไว้มันจะสั่นก็ได้มันจะร้องโขยหัวนเหมือนกับเป็นเปรตเป็นอะไรออกมาก็ได้แต่นั่นมันไม่ใช่ปิติไม่ใช่อาการที่เกิดจากจิตที่เป็นปิติมันต้องเฉยปิติมันก็แบบซาบซ่านภายในใจขนลุกซาไม่มีอาการสั่นเท่าไร่ไม่มี อาจจะมีน้ำตาไหลอย่างนี้ได้แต่วที่ทลมที่ลมเหมือนไม่ได้หายใจอยจากจุันครับมันไม่จำเป็นต้องไปดูว่ามันชันไหนขอให้มันนิ่งสงบเป็นอูเบคาก็แล้วกันเพราะว่าผมฟังที่รืองจิตวนยแล้วอาการที่เรานเ่งไดคือลมหายใจหาหายเืินกับมันปล่อยหมดแต่ก็อยู่ได้ให้มันสักหรูอแต่สักแต่ว่ารู้ตัวเดียวเป็นอูเบขาสักแต่ว่ารู้อันนั้น ถึงเถึงถึงถึงจุดที่เราต้องการไปแล้วล้วให้มันอยู่อย่างนั้นได้นานๆถ้ามันออกมาก็กลับเข้าไปใหม่ทามันไปเรื่อยๆซ้ำๆ ซ, ซากๆให้มันชำนาญจนสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการจะเข้าไปอันนี้เหมือนกับยิงปืนหัดยิงปืนพอยิงเข้าเป้าครั้งแรกก็คิดว่าจะเข้าเป้าทุกครั้งมันไม่อย่างนั้นต้องลองยิงไปเรื่อยๆลองยิงสักสิบครั้งดูว่ามันเข้าเป้าทั้งสบครั้งหรือเปล่า ถ้ามันเข้าเป้าตั้งสิบครั้งแสดงว่าโอยเราชํานาญแล้วถ้าเราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีสมาธิแล้วเราชํานาญแล้วทีนี้เราก็ออกไปเลทางปัญญาได้แล้วแต่ใหม่ๆเข้าไปครั้งเดียวแล้วออกมาก็จะมาทางปัญญานี่มันบางทีเดี๋ยวต่อไปัญากลับเข้าไปในสมาธิไม่ได้พอออกมาแล้วมันคิดฟุ้งซ่านมันไมไ่เป็นปัญญาแล้วพอจะทําใหำมันสงบมัน สงบไม่ได้เพราะไม่รู้จำวิธีที่จะทำให้มันสงบไม่ได้เพราะยังไม่ชำนาญงั้นได้ใหม่ๆได้สมาธิครั้งแรกอย่าเพิ่งไปทางปัญญามามาเจริญสติต่อควบคุมเจตให้อยู่กับร่างกายให้มีสติเกี่ยวกับร่างกายอยู่กับพุทธโธไปก่อนให้มันชำนาญจนดูเลยว่าวิธีเข้าสมาธิเข้าอย่างไรจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้อันนี้แหละพอชำนาญแล้วทีนี้มัน มันจะสบายกว่าเพราะเวลาออกมาพิจรารณาทางปัญญาบางทีมันฟุ้งซ่านได้เผอมันมันไม่ได้เป็นปัญญามันเป็นกิเลสไปก็ได้ความคิดเนี่ยมันเหมือนกับเดินบนเส้นเส้นเส้นลวดเนี่ยมันตกไปทางซ้ายก็ได้ตกไปทางขวาก็ได้พอเผ อ, ผอคิดไปเดี๋ยวก็ไปทางโลภก็ได้เผอไปก็ไปทางโกรธก็ได้แทนที่อยากคงกลางอยู่ที่อุเบกขาไม่อยูแ่แล้วพอจะกลับมาหาอุเบกขาไม่รู้จะกลับมาอย่างไงแต่ถ้าเรา เรามีความํำนานที่จะกลับก้าหาอุเบกขาได้ตลอดเวลาต่อไปเราเวลาพิจารณาแล้วมันมันเผลอไปทางความฟุ้งซ่านไปทางความโกรธหรือไปทางความโลภมันก็ยังหยุดดึงมันกลับมาที่สมาธิได้ ไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณมิกแม็กนะครับ <c oughs> เป็นโสดาบันแล้วแต่ทำไมบางครั้งยังมีความคิดปามากภาะตะะตัตนาไตก็ <c oughs> เป็นโสดาปลอมโสดา <c oughs> เป็นโสดาเพราะว่าผู้ที่เห็นธรรมย่อมเห็นพระพุทธเจ้า ผู้เห็นว่าพุทธเจ้าก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือผู้ที่เห็นธรรมนั่นเองเรจะไปปามา ต, ตัวเองได้ยังไงถ้าเป็นจะเป็นโสดามาตไปปาปามาต์พระรันาตนตรัยก็ปามา ต, ตัวเองฮะสิมันบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ยแสดงว่ายัางเป็นโสดาอยู่คนสมัยนี้ชอบเป็นโสดาผันด้วยการนั่งคิดเอาเหมือนกับคนที่ ไม่ได้ปขึ้นไปนั่งจรวดไปโลกพระจันทร์เนี่ยนั่งดูพระจันทร์แล้วก็ว่าข้างบนพระจันทร์มีอย่างนู้นมีอย่างนี้โอ้ยเราไปถึงเมื่อเราเห็นแล้วแต่เห็นเห็นด้วยการส่งกล้องดูเฉยๆตัวเองไม่ได้นั่งยานอาวกาศขึ้นไปแตะดวงจันทร์เนี่ยด้วยตัวเองคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะนั่งคิดว่าเอ้ยสิ่งเราก็มีแล้วนะออพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ใหม่สงสยัยเราเชื่อ กดแห่งกรรมเราไม่มีศีลับพระตาบารามาสเราเราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เราไม่ยึดไม่ติดกับขันห้าร่างกายของเราร่างกายแก่เจ็บตายเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ยังไม่เคยไปทดสอบดูว่าจริงหรือเปล่าไปนั่งแล้วเจ็บ น, นั่งไปให้มันเจ็บแล้วดูเสว่าจะเฉยได้หรือเปล่ามีปัญญาที่จะปล่อย ทุกขเวทานาได้หรือเปล่ากลัวความตายหรือเปล่าก็ลองไปดูไปอยู่ที่มืดๆเปลี่ยวๆคนเดียวดูในป่าช้าเนี่ก็ได้ลองไปนั่งคนเดียวดูดูให้กลัวไหมถึงจะรู้ว่าเป็นโสดาจริงหรือโสดาปลอมัน่ะถามสิ่งที่เกีกับความมากก็คือควา ม, มงมงายในสิ่ทุ่พระองค์ไม่ได้สอน่ไหครับคือ การปฏิบัติวิธีการดับทุกข์ที่ไม่ได้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาวิธีดับทุกข์ในพระพุทธศาสนาก็คือให้ภาวนาให้มีปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่ให้รู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากถ้าอยากจะดับทุกข์ก็ให้ดับความอยากไม่ใช่ไปทําบูชายัญไม่ใช่ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปเปลี่ยน บ, บ้านไปย้ายบ้านหันหน้าบ้านไปทิศทางนู้นทิศทางนี้รวมถังเสด็จเข้าตอบฉัทั้งหมดแล้วลอะไม่ใช่เป็นวิธีไม่ใช่เป็นวิธีที่ดับความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากความอยากแต่เราไปเชื่อว่าการกระทำสิ่งเหล่า น, นี้แล้วจะทำให้เคาะกรรมที่มาทำให้เราทุกข์ใจมันไม่เกิดแต่เหตุการณ์ต่างๆมันเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยมันมีเจริญมันต้องมีเสื่อม คุณมีเจริญราบคุณก็ต้องเสื่มราบเวลาคุณเสื่อมราบคุณก็ไปโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้โทษว่าชื่อไม่ดีมากน้ำสกุลไม่ดีมากผมทรงผมไม่ดีมากร้อยแปดแล้วคุณก็ไปแก้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้เจริญราบใหม่แล้วเพื่อคุณจะได้หายทุกข์ใจเวามจริงความทุกข์ใจอยู่ที่ความอยากไม่เสื่อมแต่ถ้าเรายอมรับว่าเสื่อมก็เสื่อมสิมันเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมคุณก็จะหายทุกข์แล้ว คุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรให้เหนื่อยมาเปล่าที่ถามคำถามนี้เพราะว่าเวันนี้ชวนน้องน้องแฟนมาทําบุญแล้วก็จะมาฝังเทพเจากพระจันทร์แต่น้องสาวบอกว่าสงสายเช้าจะติดกัะหล่๊มเพราพราะแม่จะชวนไปสดอกเคราะผมผมก็เลยต้องการให้แม่ยายกับน้องเมียผมไปด้วยเพราะวันนี้าามาด้วยจะได้จะได้ ดูเชื่เรื่สด็จขาต่อตาว่าเป็นศีลพระธรรมากครับแต่มันยากมันฟังอยู่ในใจทําไปแล้วมันสบายใจขออนุญาตให้พระจันทร์ได้ตอบก็นี่เลยความไม่สบายใจอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้ของที่เรามีไม่ให้เสื่อมจากเราไปได้รู้เส้นทางก็คือทานทานศีลภาวนาแต่ทานศีลนี่ก็ไม่ได้เป็นตัวดับเคราะ์ได้ ดับความทุกได้มันเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนให้เราได้ภาวนาตัวที่เราต้องการจริงๆก็คือปัญญาอให้เห็นว่าเห็นไตายักษเห็นเห็นอริยสัจสี่การที่จะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนการจะมีศีลได้ก็ต้องทําทานก่อนมันเป็นขั้นบันไดเหมือนการเรียนหนังสือ ก่อนที่จะรับปริญญาได้คุณก็ต้องผ่านขั้นมัธยมขั้นปฐมขั้นอนุบาลก่อนแต่ตัวที่จะให้คุณได้ปริญญาจริงๆก็คือตัวอุดมศึกษาแต่ก่อนจะไปที่อุดมศึกษาได้ก็ต้องผ่านโรงเรียนขั้นมัธยมขั้นปฐมขั้นอนุบาลไปก่อนถ้คาคุณคิดว่าการทำทานรักษาศีลจะสะเดาะเคราะห์จะทาให้คุณหายทุกข์ได้ก็ไม่ถูกมันไม่พอ ต้องทำทานรักษาศีลเนอภาวนาจนเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันจริงอันนี้แหะจะไม่ทุกข์กับเรื่องของความเสื่อมของทางร่างกายแล้วร่างกายจะแก่จะเจ็ บ, จ ะ, จ, บจะตายจะเป็นโรคภยัยแค้เจ็บเงินทองจะหายจะหมดไปเรื่องราวอะไรต่างๆจะสูญไปจะไม่รู้สึกทุกข์กับมันเพราะรู้ด้วยปัญญาแล้วมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆ แ, แต่มันจะไม่ทาให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เสื่อม เพราะเราห้ามันไม่ได้มันเป็นอนัตตานี่คือปัญญาที่จะทําให้เร า, าสะเดาะเค้าะคือสะเดาะความทุกข์ภายในใจของเราได้วิธีเดียวเท่านั้นไปทําอย่างอื่นมันก็ทําให้เราสบายใจแบบงมงายว่าเราได้ทําแล้วแต่เดี๋ยวมันก็มาเสื่อมเกิดขึ้นอีกก็ไม่รู้จะทํอยังไงก็ไปทําใหม่กนะ็ต้องไปสะเดาะเค้าะใหม่กนะ็ พรมันเก่าไม่ถูกที่คันก็อย่างนล้มันคันตรงนี้แต่ไปเก่าตรงนู้นมันเก่ายังไงมันก็ไม่หายคันตัวที่มันคันมันอยู่ในใจจุดที่มันคันก็คือในใจความทุกข์ใจมันอยู่ในใจเกิดจากความอยากแต่เราไปแก้ที่อื่นแก้ยังไงมันก็ไม่หายเดี๋ยวมันก็คันอีกอ่ามีก็บอก อคำถามข้อต่อไปจะคุณโยนะครับการดื่มสุราถือว่าผิดศีลข้อห้าแต่ถ้าเราดื่มในบ้านพอให้รู้สึกม่วงนอนแล้วก็นอนเลยถือว่าเราผิดศีลข้อห้าไหมผิดเหมือนกันนะเพราะท่านไม่ได้กําหนดว่าต้องต้องดื่มที่ไหนท่านไม่ให้ดื่มท่านนั้นเองถ้าดื่มก็ผิดอออย่างนี้ถือว่าเป็นยาใช่ไหมครับ <laughs> ยานอนหลับเหรอยานอน <laughs> โมัลกซีสีถนอมชัยคำถามข้อต่อไปจากคุณอิทธวุฒินะครับถ้าจิตเห็นทุกอย่างเป็นของสมมุติแล้วจิตรู้สึกโล่งเบาสบายมีความหมายเดียวกับคำว่าอนัตตาใช่ไหมก็คล้ายๆกันมังเพราะว่าสมมุติก็คือเป็นของที่ ไม่จริงนะเี่เช่นร่างกายนี้เราไปสมมติว่าเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสมมติความจริงมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตามันสมมติร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวละครที่เราเอามาใช้เป็นตัวแทนของเราตัวเราจริงๆคือใจใจเรานี่แหละมา เอาตุ ก, กตาคือร่างกายนี้แล้วก็มาคิดว่าเป็นตัวเราของเราแต่พอเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นสมมติอันนี้ก็เรียกว่าเห็นอ น, นันต่างก็ได้มีอีกคําถามหนึ่งที่โยมในที่นี้ฝากถามนะครับถ้าหากทาความดีต่อผู้ผู้อื่นและคิดปรารถนาดีแต่ผู้อื่นไม่ทราบและแต่ความหมายเป็นความไม่ดีนั้น อีกท ah ั้งยังมีใจที่โกรธต่อเราต้องทําอย่างไรก็ทําใจให้เป็นอุเบกขาไปปล่อยวางเราได้ทําดีที่สุดแล้วในเมื่อเขาไม่เห็นความดีของเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะการทำควรมดีนี้เราไม่ต้องการอะไรจากผู้อื่นการทําความดีนี้เพื่อให้ทําให้ใจเรามีความสุขเมื่อเราทําแล้วเรามีความสุขส่วนผู้อื่นจะเห็นว่าเราดีหรือไม่ ดีไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกับการปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้ว่าเราปิดทองหลังพระแต่เราได้ทำประโยชน์ได้ทำความดีแล้วเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเขาจะพอใจหรือไม่พอใจนี้เป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราจะมีความพอใจเราจะมีความสุขใจเราจะมีความชุกคลุมใจยิ่งทำโดยที่เขาไม่รู้นี่เรายิ่งมีความภูมิใจใหญ่ วเราไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นเราต้องการความรู้สึกที่ดีที่เกิดจากการทำความดีเท่านั้นเองหมดแล้วเหรอหมดนะครับอาอาจรคขอขอัขอขอขอกหลักการการเดินจงกรมการเดินจงกรมก็มีสองลักษณะด้วยกัน <c oughs> เดินเพื่อให้เกิดสติ <c oughs> เลื่อนเดินเพื่อให้เกิดปัญญา ถ้เาเดินเพื่อให้เกิดสติก็ให้ใจจดจ่ออยู่กับการเดินเช่นจดจ่ออยู่ที่เท้าไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กำลังก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่ถ้าเราอยู่ในขั้นของการเจริญปัญญาเราเดินไปล้วก็พิจารณาอะไรก็ได้และพิจารณาร่างกายที่เราเดินก็ได้ ว่ามันเป็นอาการสามสิบสองเป็นโครงกระดูกกำลังเดินไปเดินมาก็ได้รือพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็ได้รือจะพิจารณาร่างกายของไข่ก็ได้ร่างกายของภรรยาของคนที่เรารักสามีของเราบิดามารดาของเราว่าเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันเขาก็ไม่ใช่เป็นตัวร่างกายก็ไม่ใช่เป็นตัวเขาเหมือนกันร่างกายก็เป็นเพียงตุ๊กตาของเขา ตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายพิจรารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาพิจารณาได้ร้อยแปดเรื่องเรามีปัญหากับเรื่องไหนทุกข์กับเรื่องใดก็พิจรารณาเรื่องนั้นได้ถ้าเรากำลังทุกข์กับเรื่องเงินทองอยู่ก็พิจารณาว่ามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็มันจะหมดแล้วก็ห้ามมันไม่ได้้ใช่ไปใช้ให้เป็นตายรักหมดใช่ใช่ถ้าเห็นตายรักแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันจะไม่อยา เพราะมันรู้ว่าอยากไม่ได้ทุกเรื่องทุกอย่างใช่หมายถงว่าเราอยากไปเที่ยวที่นึงมากๆไปเดี๋ยวกับมาก็จบอ่านั่นแหละมันจะได้ไม่อยากไงไปแล้วก็เหนื่อยกลับมาแล้วก็เท่าเดิมกลับมาแล้วก็ว้าเเวเหมือนเดิมเร้าซ้อยง่อยเหงาเหมือนเดิมก็เลยต้องออกไปเรื่อย ถึงมีคําพูดว่าเวลาออกไปเหมือนไก่บินนะเวลากลับมาเหมือนหากินนะพิจารณาเห็นตายรักแล้วมันจะลดความอยากลงไปได้เรื่อยๆจนั้นที่สุดมันจะไม่อยากไปไหนอยู่เฉยๆมันสบายอยู่แล้วมันสุขอยู่แล้วจะไปหาอะไรกันไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบที่มีอยู่ในใจของเราแต่เราไม่มีตัวนี้ไม่มีปัญญาที่จะสอนเราให้เห็นตัวนี้ให้รู้ตัวนี้ มันก็เลยไปหาความสุขข้างนอกซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกตั้งแต่เริ่มอยากจะไปละพออยากจะไปนิจใจก็วุ่นวายแล้วสิต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆไปละแล้วละระหว่างไปก็วุ่นวายกับการห า, ห, หานู่นหานีน่ทำนู่นทานี่ความสุขได้นิดเดียวอยากการได้ไปดูไปเห็นไปดื่มไปรับประทานอะไรเดียวสแ็จแล้วก็กลับมาอยู่ดีกลับมาก็เงินก็หมดไปหลาย ก็ต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินใหม่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่อยากไปทุกอย่างต้องต้องออกจากสมาธิมาก่อนใช้ปัญญาพิจารณาอ๋า อ, อใช่อัศวภาสนี้ไว้สําหรับการกําจัดการาอารมณ์ถ้าเราถือศีลแปดอย่างนี้ย ถ้าเราเป็นพระเนี้ยถ้าเกิดการอารมณ์ถ้าเรายับยั้งไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปผิดศีลได้ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันน่าเกลียดมันสกรปรกมันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในสมาธิเนี่ยเราก็คืออยู่กับปัจจุบันอยู่นะคะอยู่กับความนิง่งอยู่กับอุเบกขาต้องการให้มันอุเบกขานานๆเพราะจะได้เป็นแรงหยุดกิเลสต่อสู้กับกิเลสได้แล้วเวลาออกมาถึงมาพิจารณาอาศัณฑ์ใช่ ถ้าเห็นนสุภาพอยู่เรื่อยๆต่อไปเห็นใครมันจะเห็นนสุภาพไปหมดตลอดเวลานะมันจะไม่เกิดการอารมณ์ต่อให้เห็นบรรด า, าภาพภาพยนตร์รูปหน้าตาสวยงามขนาดไหนมันก็จะเห็นส่วนที่เป็นนสุภาพที่ซ่อนอยู่ใต้ภายผิวหนังหรือเห็นตอนที่เขาตายไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าให้ภาพ ร, รูปหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการอารมณ์ไปพิจารณานางโสเภณีพอเห็นสกของนางโสเภณีท่านก็บรรลุได้ ดับการมารมได้คือบรรลุไม่มีการมารมอีกต่อไปทีนี้เห็นใครก็จะเห็นนางโสเภณีคนนั้นอยู่ตลอดเวลาคิดแต่ถึงนางโสเพณีผ้ามันติดตาติดใจอยู่แต่มันต้องพิจารณาอยู่เือไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมต้องจนกระทั่งเราเหมือนกับเราท่องสูตรคูนอย่างเงี้ย อ, อ่า ต, ต้องมาทันทีเลยต้องเหมือนกับสูตรคูนพออยากจะคูณอะไรปั๊บมันมาทันทีเลย แปดคณแปดได้เท่าไหร่หกสี่เะไม่ใช่มานั่งแปดหนะึ่งแปดแปดสองแดะอันนี้ยังยังไม่ไวพอเราใช้วิธีแบบเหมือนเวลาเราสองกระจกแล้วเราพ่ี่้าตัวเองได้มองมองแต่ให้มองในส่วนที่ไม่สวยงามส่วนใญ่เราจะชอมองแต่ส่วนที่สวยงามกันถือว่าเรามองแล้วเราก็มองแต่ว่ามันเป็นแค่หนังหุ้มกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเราหรือเปล่าเนี่ยเวลาเรามองกระจกเนี่ย เราเห็นแต่เห็นแต่หนังหนังก็เป็นเหมือนหน้ากากดีๆนี่หน้ากากที่มันคุมอยู่กับไอ้กระกระโหลกศีสษะถ้าเราเห็นกระโหลกศีรษะแล้วเรายังจะเกิดการมารมณ์หรือเป่ใช่ไหมไ ม, ม่เห็นมันเห็นแต่หนังว่าเรามันติดหนังกันหนงหนังกันหนังบางๆนี่ทำสงครามก็พ่อยหนังนี่แหละ <c oughs> เอาแล้วนะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิง่งยิ่งขึ้นไปเทิร์นสาวเรียนชระอาจารย์ว่าพี่อ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติ วันนี้จริงๆจะมาเอาซีดีหลวงตามาหาบัวชันจะบวชเมว่าวานนี้พอดีวันหลายที่ย์เข้ามาวันนีกเมื่อวานนี้ดูในรูปเฟซบุ๊กยั